การวางใจที่จะให้ฉลาดหรือการพิจารณาอย่างถ่องแท้ในการที่จะให้ให้ถูกต้องเนี่ยยากท่านทั้งหลายาไปคิดกันดูเหอะแล้วจะรู้แค่เรามีลูกสักสี่คนห้าคนเนี่ยเราก็จะรู้แค่มองหน้าลูกเรายังรักไม่เท่ากันและไอ้คนเนี้หน้าอยู่ใกล้ๆเด็คนนี้โอ้โหรู้สึกยังไง ร, รู้มาอยู่ใกล้ๆก็อยากจะผลักไว้ไกลๆหน่อยไปไกลลำคาลเหลือเกินแต่ีคนนึงมาอยู่เหมือนโอซ้ายโอขวายังนี่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นยังงัจริงๆ เพราะเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันยังพัฒนาระดับพระโพธิสัตว์ไม่ได้ไม่ถึงพัฒนาไปพัฒนามาก็เอียงซ้ายเอียงขวากันอยู่เดีย่ยเด้อก็นี้เราจะได้เห็นคุณขั้นว่าอุปกรณ์แห่งการกําหนดนะ น, นะบอกว่าส่วนในเรื่องต่างๆหรือด้วยเจตนานการบริจาคเครื่องอุปกรณ์เป็นต้นด้วยเป็นความเป็นผู้ฉลาดในบานกรุณานะเป็นทานบรารมีนะก็หมายความบอกว่า คือคือในพูดถึงในเรื่องของทานนบารมีถ้าในทานนบารมีก็คือว่าเจตนาเป็นเครื่องบริจาคจริงๆแล้วทานเนี่ยถ้าเราพูดกันมาเนียถ้าเอาเอาที่จริงเนี่ยเวลาในการที่จะศึกษาเรื่องบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเน่ะจริงๆต้องศึกษาละเอียดมากถึงจะเข้าใจจริงๆอันมายกตัวอย่างแค่เชื่อไหมถ้าพูดเรื่องทานอย่างเดียวเนี่ยถ้าจะพูดให้ละเอียดแล้วให้เราท่านทั้งหลายแล้วเข้าใจกันจริงๆเนี่ยนะเนชื่อไหมประมาณสามวัน อันนี้เรื่องจริงเลยเพราะพูดถึงเรื่องไม่ใช่ว่าพูดโอ้เพราะพูดได้มากมันไม่ใช่นะแต่ต้องการคือพูดให้แยกให้ถูกแยกประเด็นยกตัวอย่างเช่นเจตนาทานเจตนาทานเนี่ยไม่ใช่ตัววัตถุเลยเป็นความตั้งใจที่จะให้อะน่เป็นทานเห็นไหมเนี่ยอโลพาทานอย่างเงี้ยก็คืออโลพที่เกิดร่วมกันนามธรรมคือจิตที่ให้แล้วเนี่ยตัดความตนีได้อะ ไม่เสียดงเสียดายเลยแล้วก็ยังมาพูดถึงในด้านของวัตถุทานเห็นมไหมเจตนาทานเอ่ยอโรภพะทานเอ่ยเจเจเจตสิกทานเจตสิกทานก็ต้องไปว่ากันรายละเอียดดิทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของเจตนาที่จะให้อารโอภาคือความไม่โลภเป็นต้นแล้วก็วัตถุเห็นไหมสมมติว่าเนี่ยพอดีมีคนให้นี่มาถวายมานี่สมมุติเนี่ยอันนี้เป็นตัววัตถุ นี่นะเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเป็นตัววัตถุอันนี้เ็าเรียกวัตถุทานใช่ไแต่เจตนาเนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมาอโลพานั้นเป็นเรื่องของนามธรรมาเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้การที่ว่าความต่างคือเจตนาเนั้นเป็นเครื่องเป็นเป็นอะไรเจตนาที่บริจาคเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์ในการกำหนดความก็หมายความว่าในการที่เราจะให้เนี่ย ให้หนึ่งต้องฉลาดในตัวเจตนาที่จะเกิดขึ้นว่าใช่เจตนาที่เป็นไบ ก, นกุศลไหมต้องมีความฉลาดต้องมีความรอบรู้ใช่ไหมเพราะคนให้ได้โลภะก็มีเคยให้แบบลาคาญไหมโย่ลูกขอมากๆเอาไปเอาไปลำคาญเคยไหมนั่นน่ะมันไม่ไม่อย่างนั้นเขาไม่เรียกทานนะคือของให้จริงแล้วได้ให้จริงๆ ว่าถูกมีจริงได้มีการยื่นจริงๆมีการให้จริงๆแล้วก็ไม่ไม่เอากลับมาจริงๆแต่ว่าเจตนาที่จะให้มันผิดแทนที่จะได้บุญในครั้งนั้นก็เลยไม่ได้บุญแท้ที่จริงถ้าคนฉลาดในการให้เนี่ยให้ลูกก็เป็นบุญแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ดีแล้วต่อไปเราก็จะให้แต่ลูกเรานี่แหละไม่รู้เขา อ, อีกแต่เนี้ยไปอีกใช่ไหม ที่จริงก็คือว่าเจตานาในการที่จะให้เนี่ยต้องฉลาดในการเต้าโอ้นี่เป็นกุศลเจตานาเนาะเป็นไปกับสมนัสไหมเป็นไปกับอาสังคาริกไหมเป็นต้นเราเนี่ยเนาะโอ้เป็นไปได้วยความปรีติยินดีไหมแล้วก็น้อมอะไรน้อมในการที่จะสละและในขนาดเดียวนะกันก็เป็นอโลภะคือการตัดมัจฉริยะเลยนะตัดไปตัดความตนีความ ห, ห่วงแหนเป็นต้นได้แล้วรู้สึกเบามากในการที่สละแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกชื่นใจมากเหมือนพระเวลาท่านได้สละอะไรหนูชื่นใจน ะ, ะมาเคถามหลายรูปนะ ต้อโอชื่นใจที่บินทบาตมาได้เบสเสร็จจะเจอพระเดินสวนมาท่านก็รีบน้อมที่ถวายเงินเป็นต้นอะไรเงี้ยเ ม, มื่อไหร่มาเนี่ยเขาไม่ใช่พูดเราไปยกตนอามาก็ต้องอทานกุศลเอามาต้องได้ทุกวันหมต่ต้องต้องทําทุกวันอย่างเงี้ยทั้งๆที่เป็นพระเนี่ยเอามาไม่มีอะไรอามาก็นั่นแหละอ า, าหาและบินทบาตดีละอาหาละบินทบาทที่ได้มาจะต้องแล้วเอจะต้องหาจะหาห า, หาผู้ลาภฐานแล้วมันก็เริ่มสลั เนี้ยก็น้อมเพราะถ้าได้ให้แล้วรู้สึกอะไรรู้ไหมโล่งเบาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวก็คือว่าทานบารมีเราได้เราได้ดาเนินตามล่องรอยของพระผู้มีภาคเจ้าได้บูชาคุณของท่านด้วยแล้วได้ทาได้ได้ได้ได้ขัดเกลารตนเองด้วยแล้วก็ได้ได้สั่งสมอัธยาศัยผู้เป็นปัจจัยในการเดินทางด้วยเอาสิมันได้เยอาแหัวใช่ไห แล้วเราก็ ล, ก ล, กาล้วก็วางล้วก็วางกิจให้ถูกเราก็ฉลาดในการให้แล้วในขณะที่ให้ก็ไม่เลือกที่จะให้หมายความว่ า, วาอย่างยกตัวยอย่างนยเอาแค่อุกคะฆ่าง่าวดีเช่นมีพระมาหนึ่งสองสามสี่้าพระโอ้ทีนี้เทวดาเนี่ยมาบอกท่านขึ้นหาวดีบอกว่าเออท่านแกเสดท่านแกเสตีพระรูปนี้เป็น นี่เป็นผู้ได้ฌานสมาบัติ น, นี่บรรลุด้วยศรัทธานุสารีนะอันนี้เป็นปัญญานุสารีเป็นต้นอะไรเนี้ยนะพระรูปนี้แตกฌานในพิญญาพระรูปนี้ได้ปทโสมจารทุติยฌานพาระนี้เข้าได้นิโรธาบอกไปตามลําดับไปเสร็จแล้วไล่มาตามลําดับแล้วพระกลุ่มนี้เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ทรงวินัยพระรูปนี้เป็นผู้เป็นธรรมกระถิบแล้วก็ไล่ไปตามลำดับพระรูปนี้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระรูปพระกลุ่มนี้เป็นพระทุศสิน บอกท่านอย่างนี้นะท่านเสร็จท่านอุกคะกข้าราชการบอกว่าท่านให้ทานท่านถวายทานใจท่านไม่เคยวันไหวเลยเอายังยังเราวางได้ไมัหยวางได้ไหมรู้เนีย่ยที่นั่งกันเป็นแถวเนี่ยบางองค์เป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยบางที่เป็นผู้มีศีลบางวิไม่มีศีลอา้าคนที่อยู่ใกล้ชิดพระวางใจได้ไห ต้องวางให้ได้ว่าน้อมถวาย่งมีพระเจ้าเป็นประธานหรืออะไรน้อมบูชาพระเจ้าน้อมพระริยสงฆ์คือมองว่าท่านเหล่านั้นเป็นสื่อแห่งการจะทําให้เราเข้าถึงสังขรัตนะได้หมดเลยหรือทําให้เราได้บูชาได้ถวายสงฆ์ได้หมดเลยไม่ติดขัดในข้อปฏิบัติของท่านเหล่านั้นเลยนี่ไงพระพุทธศาสน์ท่านเป็นแบบนี้แหละท่านร่องรอยนี่คือความมหัศจรรย์ของสาวกสาวิกาในพระศาสนา ถ้าท่านว่าใครวางจิตได้อย่างเงี้ยแต่ไม่ชั่นไม่ใช่ว่าท่านจะปล่อยปะละเพื่อนนะเออละเลยนะถ้าท่านรู้ว่าเอออยู่ต่อหน้าองค์ถ้าท่านพอจะแนะนําท่านก็จะแนะนำว่าท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจะเป็นปัจจัยทําไมโยมสะท้มากนะออะไรเงี้ยก็หาอุบายไม่พูดให้ท่านไขายแนะ่นี่เขาเรียกคนฉลาดเขา้าใจยังคนที่เขาศึกษาคําสอนเนี่ยเขาเดินตามล่องลอยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ เขาไม่ใช่โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยนี่ได้เรื่องเลยเนี่ยนาข้าในเขาน้าวกระสียเลยนาข้าวนเขาน้าเราเขาเรียกตีกันเองเขาจะยังพตีกันเองเพราะว่าไม่ดูจา ร, รีตของพระอริยะท่านรำมาหรือของพระเจ้ทาที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาต้องดูให้ชัดแล้วจะได้เข้าใจฉะนั้นประการในลักษณะอย่างเนี้ยความเป็นผู้ฉลาดในอุบา ย, ยากรุณาเป็นทา น, นาบารมีเห็นไหมในการให้ทา น, นาบารมีเบ็ดเสร็จก็จะต้องมีกรุณาจะต้องมีความฉลาดเนี่ยเป็นป Rath ฐาน ให้ทานนี่นะก็สังเกตอย่างนี้นี่บารมีกายสุจริตรวจีสุจริตกําหนดความเป็นศีลใช่ไหมศีลเนี่ยทําให้กายกรรมวิจิกรรมไม่เกลื่อนกลดไม่กระจัดกระจายเป็นศีลแะบารมีใช่ไหมในศีลและบารมีนะต้องฉลาดในอุบา ย, ยกรุณาโดยใจความคือเจตนาเครื่องเว้นนะในสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเจตนาก็ชื่อว่าศีลก็คือฉลาดเนะี่ยนี่เจตนาตัวนี้เป็นศีล น, นะเจตนาอย่างนี้ไม่เรียกว่าศีล เจตสิกเป็นศีลยังไงเจตสิกที่ไม่เป็นศีลอย่างไงใช่ไหมสังวรเป็นศีลกลุ่มเหล่านี้ไม่เป็นศีลขันตินี้เป็นศีลอวิติกรรมา ก, การไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลอย่งไงก็ฉลาดนี่เขาเรียกฉลาดในการเดินกุลศลศีลได้จริงๆแล้วก็สามารถประชุมศีลของศีลนั้นเข้าสู่ใจนัวนเองได้จริงๆถามว่าเราเนี่ยรับศีลกันมาอย่างยาวนานใช่มหมจ๊ะถามว่ามาถามว่ามีใครเดินกุลศลศีลได้เป็นวันเป็นคืนไหม เอาศีลมาเดินได้ในชีวิตจริงอ่ะกุศลศีลเดินได้จริงๆเลยในในชีวิตจริงแล้วออกมาเพ่นพ่านได้เลยโดยํานวนก็คือว่าเดินก็มีกุศลศีลเกิดขึ้น่ะพูดก็มีกุศลศีลเกิดขึ้นใจที่คิดไปเรื่องต่างๆก็ศีลก็ก็เป็นไปอยูอ่อย่างนั้นก็เรียกว่าศีลเดินจริงๆไม่ใช่ว่ารักษาศีลเป็นแค่รูปแบบไปมายังวันเด ว, วิสุขวิสุขกันนาตาเยอะรักษาศีลเสร็จเสรก็จบเป็นวิธีกันไปเงี้ยกลับมาก็เลยคุยอะไรกันฟุ้งหมด ยังมันสีขาดแต่ไมื่อไรก็ไม่รู้เคยเป็นไหมไม่ใช่อย่างนี้เขาเราียกไม่ฉลาดในอุบา ย, ยาการที่จะทําสีนี่เกิดขึ้นเพราะศีนเนี่ยจะต้องดูศี น, นั้นต้องมาดูแลกายกรรมวิีกรรมไม่เป็นใบ ก, กุศลฤาษีคนรักษาสีก็มีความสุขนั่นอนเขามีความสุขคนเขารักษาสีเนี่ยก็มีความสุขเขาไม่ทุกข์ใจหรอกถ้าบอกว่าโอ้โหมาศึกษาคําสอนพุทเจ้าทุกจริงโวยทุกจริงโวยเน่ยคือคนไม่มีสีนั่รู้ทันทีฮะ เพาศีลเนี่ยเป็นปฏิปักษต่อโทสะให้สังเกตดูที่คนมีศีลไม่โกรธหรอกในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าศีลหายแล้วศีลศีลศีลหลุดจากใจแล้วตอนนั้นอันนี้ก็สังเกตอย่างนี้เนาะที่นั้นกรณีที่ต้องฉลาดแล้วก็มีกรุณาในการที่รักษาศีลพราะอะไรรักษาศีลเพื่ออะไรขัดเกลารนเองถูกต้องไม่ใช่แต่จริงๆแล้วกรุณาต่อสัตว์โลกต้องทําศีลให้เต็มถึงจะเป็นอุเบกญได้หรือทานเป็นต้นกันญะอย่างงี้ อาการจิตเกิดขึ้นโดยการจะออกจากการมมาพบเป็นต้นเนี่ยนะเห็นโทษเห็นโทษในระดับแรกถ้าไว้เราถามว่าอ๋ออย่างนี้เราเคยคิดอยากจะออกจากตาหูยมุกนิ่นงใหญ่ใหญ่ไหมเคยเคยคิดไหมเราก็เห็นเห็นพบทุกพบเหมือนไฟไหม้ไหมเห็นไหมอ้าเห็นหนี่อย่างบอกโหรถเมบคือเคี้ยวอาหารแต่ละทีก็อทุกจริงเลย บอกโอ้โหในสังสารวัตรที่เคี้ยวแต่ละคำเราเคี้ยวมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยบางพบก็เป็นเปรตอสุรกายกลัวจะได้เคี้ยวอาหารแต่ละพบโดยเฉพาะเป็นสัตว์นโลกไม่มีโอกาสได้เคี้ยวอาหารอย่างนี้เลยแล้วมาเป็นมนุษย์เนี่ยเคี้ยวอาหารนี่ฟันหักไปไม่รู้กี่ล้านอัตภาพแล้วแล้วก็จะต้องมาเกิดมาเคี้ยวอีกเท่าไหร่นาะเราเนี่ยนะไปไปมาเคี้ยวแล้วใส่ฟันปลอมไม่รู้กี่ครั้งเรากี่ครั้งเนี่ย เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมาเคี้ยวหญ้ากินหญ้าเหมือนทรมานเกินน่าเบื่อมากเมื่อไรจะพ้นจากการมีฟันได้เดีไม่ใไรไปถอนฟันทิ้งเข้าใจไหมคาว่าไม่ต้องการมีอะไรอีกแล้วต้องการจะดับนี่เขาเรียกนี้เบื่อพบอย่างนั้นเนี่ยแต่การณาก็เกิดขึ้นนี่การเบื่ออย่างนี้นี่แหละให้ความฉลาดในอุบายเบื่อเบื่อให้ทุกจุดเบื่อในทุกจักรวาล เบื่อในทุกพบเบื่อในทุกขันขันทุกขันต้องมาวิจัยหมดหน่าเบื่อหมดเลยนะเนี่ยน่าเบื่อมาพบต่างๆเนี้ยในการมาพบทั้งหลายในแสนโกจักรวาลก็น่าเบื่อในรูปประพบก็น่าเบื่อในรูปประพบก็น่าเบื่อในพบทั้งหมดนี้น่าเบื่อหมดเลยเนะี่ยปรารถนาออกนไแล้วก็ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายนะั่นออกจากพบอย่างนี้เป็นต้นดูเข้าใจาใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิตที่ปรารถนาแล้วเบื่อพบ นี่เขาเรียกบมเพนเกี่ยวกับเรื่องของเนคข ม, มะแล้วต้องฉลาดฉลาดยังไงเอ๊เอ็กความเบื่อนเป็นโทสะหรือเปล่าจะลืมนะอยู่ในบ้านเคยเบื่อไหมเห็นหน้าภรรยาทุกวันแล้วเบื่อยอมผู้ชายเคยเป็นไหมยอมผู้หญิงเคยเห็นหน้ายอมผู้ชายเคยเบื่อไหมบอกขี้บนแต่ก่อนเมย์นัดแต่ก่อนผู้จ้าก็เพราะเดี๋ย น, นี้ผู้จ้าก็ไม่น่ารักเลยเงี้ยก็น่าเบื่อใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้แปลว่าเป็นเนคข ม, มะไหมเราอยากออกจากบ้านไหยเป็นไม่เป็น อย่างนี้ไม่ใช่หรอกใช่ไหมอเนนี้ต้องต้องรู้จักว่าอันนี้เป็นโทสะลักษณะโทสะนั้นไม่ใช่เน้นวิปัสสนาก็ดีหรือว่ากรณีเนคข ม, ม่าเนี่ยเนคข ม, ม่าเนี่จริงๆแล้วเป็นชื่อสูงสุดจริงๆนู้นแหละมรรคผลแต่ก็คื อ, คอปฐมฌานเป็นต้นเขาเบื่อในการที่เพราะกามมาพบนี่น่าเบื่อเห็น ไ, ไหมกามคุณ น, นี่น่าเบื่อก็เมื่อกี้โยมโยมสุวรรณไหมมาบอกอะไรมา จ่ใมใจจบอกที่บอกออกมาเมื่ อ, อ ก, กี้บอกว่าบอกว่าเรื่องกามมาคุณเนี่ยท่านไม่มีไม่เคยมีความสุขจริงเลยฟังธรรมยังมีความสุขมากกว่าเรื่องกรมมาคุณทั้งสิ้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผ่านว่าหมดแล้วอันนี้เอาพบนี้นะอันนี้ขนาดคิดได้แค่พบนี้นะ ถ้าอย่างพระพุทธศาสนาะคิดในอดีตไม่หาที่คิดในอดีตก็ได้คิดในนาคตก็ได้คิดในแสนก่อจักรวาลไม่ด้วยก็ได้คือเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีแล้วนั่งวิจัยเงี่ย น, น่าเบื่อหมดถ้าอย่างนี้เขาโอ้โหนี่เบื่อจริงเบื่อแบบไหนเบื่อแบบเช่นนี้ที่เบื่อแล้วเดินออกเลย อ, อ่ะเดินออกยังไงก็เหมือนที่บอกว่าออกจากหลุมโคตรหรือหลุมอุจจา เขามาอาบน้ําล้างตัวสะอาดแล้วไม่ปราถนาโดดลงไปในหลุมคูเดียกเนี่ยคนที่เขาเขาเบื่อเขาเบื่ออย่างนั้นเน่ยเกเราเรามีความรู้สึกไงั้นไหมมีความรู้สึกหูหน้าเบื่อมากเช่นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตตับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมาดูแลกันขนาดไหนเนี่ยต้องมาคอยประคบประงมแล้วถามมันเคยเชื่อฟังอะไรเราบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทระยยอยเราหมดเลยเนี่ย มันวิบัติหมดอะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ่ะวิบัติหมดแหละในส่วนจริ ง, รงเป็นของยืม้ามายังเป็นความฝันจริงๆโทษถ้าบอกว่าพุทธยาว่ากามเนี่ยมีโทษมากมีทุกมากมีความครับแค้นมากโทษของกามนั้นมีมากอย่างยิ่งว่าั้นะมันให้สุขนิดอสุขยังไงท่านอุปมาเหมือนกับใช้ลิ้นอะเรีย ก, กินน้ำพึ่งบนคมของมีดโกนอะ ลถอร่อยจากหวานนิดเดียวแต่ลิ้นมันขาดนะโยมเรียผับเนือขาดเรียผับกว่าขาดทุกทีนั่นแหละรสชาติของกามที่เราท่านทั้งหลายเสพคุณก็ไปอุปมาอย่างงั้นเนี่ยแล้วได้ไปตรวจสอบดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนที่โยมเล่าอห้มาบงถ้าเราเห็นไงนจริงๆว่ามั น, ม, นมันเป็นโทษมากมันเป็นความทารุณเน่ยมันให้สุขสนิดแต่ทุกข์มหันทุกยังไง ทุกที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเสพวัตถุกรรมทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายมันได้โลราคะโทสาโมหะกรรมที่ทําไปกับสิ่งนั้นเท่าไหร่เราจะต้องไปหมกมุ่นกับการงานทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายกรรมที่ทําใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้เสวยกระแสขันของใครที่จะต้องไปรองรับกรรมนั้นไม่มีใครไปรับรแทนท่านทั้งหลายกระแสขันาธาตุอายตนะอันเนี้ยจะต้อง หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็ไปลองรับวิบากอันนั้นถ้าจะต้องไปได้วิบากอันนั้นต้องไปตกละกรรมลำบากไปเจ็บปวดก็อั น, นี้นี่คือโทษของการตาเห็นเกิดเกิดความสุขแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวเสพคุ้ไปผลที่ได้รับมายาวไกลนะัก ฉะนันถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าโทษของกรรมที่พระพุทธเจ้าบอกมีทุกมากมีความคับแคนมากโทษของกรรมเนี่ยมีทุกอย่างยิ่งเหมือนหิเขียงหันเนื้อไปด้วยฉั้นคนที่เขามีเนคขมมะบา ร, รมีเนี่ยเขาเห็นอย่างนั้นบางทีท่านก็ออกมาเหมือนคุกใช่ไหมเหมือนคุกเหมือนคุก ก, ก็บแปลว่าถ้าเป็นักโทษที่ติดคุกเนี่ยอยากออกทุกวันเราท่านทั้งหลายที่ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเคยคิดอยากออกทุกวันไหยแต่มันมีสองกลุ่ม ถ้ากร ม, มิจฉาทิถีเนี่ยติดคุกแต่ไม่เห็นไม่เห็นโทษของคุกแปลว่าไม่กล้าออกจากคุกคนบางคนเนี่ยติดคุกเหมือนที่อาละมาเคยยกตัวอย่างเกีย่ยวกเรื่องของฝรั่งที่ติดคุกแล้วไม่อยากออกจากคุกเพราะติดตั้งแต่เล็กจนอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าไม่รู้จะไปทํามาให้กินอะไรออกจากคุกไม่ได้ก็เหมือนสัตว์โลกทั้งหลายที่จอมอยู่ในสังสารวัฏอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละ บางท่านเนี่ยติดอยู่ตาหูจมูกดิ้นกายใจแล้วไม่กล้าที่จะออกแล้วเป็นเหมือนกับหมาป่าตาขาวตัวนั้นเน่ที่ไม่กล้าออกจากโพรงไม้ออกไปหากินแล้วแต่ในคําสอนของพระบรมศาสดาไม่สอนอย่างนั้นไม่สอนให้เป็นคนขี่ขาดในการที่จะไม่กล้าเดินออกจากสังสารวัต ต้องกล้าที่จะเดินออกจากสังสารวัตแต่ก่อนจะกล้านั้นต้องวิจัยเห็นกันว่ามันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นโทษจริงๆมันให้ความเจ็บปวดมันให้ความปวดร้าวในกระแสของขนันธะอายะทานะจริงๆแล้วมันไม่ได้ให้ความหวังอะไรเลยมีแต่ความผิดหวังทั้งนั้นเลยท่านทั้งหลายก็ลองดูที่เราปรารถนาทรัพย์เราได้ทรัพมาแล้วได้อะไรได้อะไรในชีวิตมันให้อะไรเราปรารถนาเงินเอาได้เงินมาแล้วจะให้อะไร ใช ม, มันให้ชาติทีททท่ทุกชราทุกมาแล้ะทุกพยาธิทุกให้ความโศกความร่ําไรลําพันธ์แค่นั้นแหละที่สุดจริงๆก็คือได้กินข้าวไปมือม้อๆวันๆแค่นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะจะอยู่ยังไงดีอย่างสบายยังไงจะแอร์เย็นขนาดไหนองศาในขนาดร้อนแอรเย็นขนาดไหนเบสเซนในที่สุดจริงๆก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวก็เดินออกเพราะในที่สุดจริงๆเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริงมันให้โทษเยอะ ถึงบอกไงบอกว่าการที่เราดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นไปเนี่ยในสุดจริงๆเนี่ยก็หาทางออกไม่ได้ในคําสอนของพระบรมศาสด า, า, าที่พระองค์ชี้ดูว่ากามาสุขัาริการนิโยกเนี่ย<ม>การติดแน่นในวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยบอกเป็นความเพืพ่อเพลินเป็นความบอกว่าเป็นของชาวบ้านยังไงแต่ผู้บุคคลที่บําเพ็ญเนคขม้าเนี่ยเขาเห็นโทษต ร, ตรงนั้นาก็ก้าวออกก็ เ, เดินออกแต่ว่าบางขั้นนี่นะมาเนคขม้าแบบพวกฤาษีชีพายทั้งหลายนะ เกี่ยวกับเรื่องของฌานสมาบัติทั้งหลายก็มาติดอีกบังคอก็ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิก็มาเดินผิดก็ เ, เดินออกจากกรามได้ก็มาติดอตัตตะกิรมามฐานุโยโกอีกเห็นไหมออกไม่ได้อีกอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแสดงสองเส้นทางนี่ไม่ใช่ปฏิปทาไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาพราะองค์ก็สอนมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้เป็นต้นอั น, นในรายละเอียดก็ค่อยค่อยคอย่คอยไปดูกันอีกทีประการต่อมาคือนั่นแหละการกําหนดความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณานั้นเป็นเนคขมาบรบรมี ความเข้าใจถึงลักษณะรักษาปัจจุบันฐานนะปัจจุบันฐานปัจจุบันฐานแห่งธรรมทั้งหลายด้วยการความเป็นผู้ฉลาดในอุบายการดูนะนั่นเป็น ป, sticks, ปัญญาปัญญาบารมีในด้านของปัญญาบารมีเนี่ยในรายละเอียดก็คือว่าท่านที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะท่านจะรู้ลักษณะของธรรมะทั้งหลายเช่นลักษณะของโลภะเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยท่านรู้ลักษณะของศรัทธาเป็นยังไงเป็นต้นรู้ลักษณะของโทสะโมหะลักษณะของปัญญาเนี่ยท่านรู้ วิสติหรือวิริยะที่ถูกต้องนี่นท่านก็จะทราบตรงนั้นคือคือปัญญาบา ร, รมีตรงนี้ก็พระโพิสัตทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็บําเพ็ญปัญญาบา ร, รมีโดยการที่จะบําเพ็ญกันอย่างยาวไกลนี่นะนี่ในร า, ายละเอียดสั้นๆนี่นะการปรารบถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยกายและจิตกําหนดด้วยความเป็นผู้ฉล า, าดในอุบายเป็นวิริยะบา ร, รมีในวิริยะบา ร, รมีของท่านเนี่ยท่านบําเพ็ญมาอย่างยาวไกลความอดกลั้นโทษของสัตว์และสังขาร สังขารในการกำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดก็คือขันตีนี่ท่านกําหนดอะไรอ่ะไอ้ท่านอดทนอะไรท่านอดการต่อโทษของสัตว์และโทษของสังขารอา ถ, าถามบ อ, อกว่าเวลาสัตว์ทั้งหลายประพฤติโทษต่อท่านท่านต้องอดทนไหมต้องอดทนเนาะและสังขารละ่ะเกี่ยวกันในเรื่องของที่ท่านจะต้องทุกอยู่ในโลกใบนี้หรือในโลก ใ, ในใบนี่ไหนเอาสิประเภททิ้ง ยกตัวอย่างเช่นว่าเขาพ้นทุกขแต่เราจะต้องอยู่ในทุกข์เราจะต้องแบกทุกข์ไว้ในตนเนี่ยเนี่ยโทษต้องอดทนคนไม่อดทนเน่ยเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างบา ร, รมีไม่ได้เอาอย่างเราท่านทั้งหลายนี่นะถ้าปราถนาจะบรรลุหรือพ้นจากสังสารวัฏหรือพ้นจากชาติทุกชะลาทุกเนี่ยถ้าไม่มีขันติเลยเราจะออกจา ก, จากเรจะออกได้ไหมก็ขนาดความเพียรในการแสวงหาทรัพย์ทางโลกยังต้องใช้ขันติใช่ไหม อาจจะเป็นคันติที่เป็นไปกับอกุศลก็ได้ใช่ไหมจ๊ะก็คือขันติที่เป็นไปกับความโลบโกรธหล่นก็ได้แต่แต่ในทางพระศาสนาไม่ใช่ต้องเป็นขันติที่เป็นไปกับกุศลท่านั้นนั่นก็เรียกความอดกานความเป็นการพูดไม่ผิดนะโดยวิรัตเจตนาเป็นตัวเนี่ยนะเป็นผู้ฉลาดในบายเป็นสัจจะบารมีการตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวด้วยการด้วยความเป็นผู้กําหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในบายกรุณาก็ จตันเกิดขึ้นในการแห่งความตั้งใจในการสมาทานไม่หวั่นไหวก็เป็นอธิฐานบารมีการนำประโยชน์สุขของสัตว์โลกด้วยการกําหนดความวูฒฉลาดในบายญัติกรุณาโดยการไม่พยาบาทอันนี้เป็นเมตตาบารมีนะแล้วก็ความกําจัดความเหลื่อมนะก็หมายกับความเสื่อมและความค่ําแค้นนะ่ะแล้วก็ความเปวุฒิฉลาดในอุบายแห่งกรุณาก็เป็นความเสมอกันแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายนะั่นแหละเป็น อุบเบกขาบรารมีส่วนลักษณะรักษาปัจจุปฐานประธาฐานของทานอบราบรมีศีลบารมีเป็นต้นออกมายังยังไม่เดินตอนนี้นะเออยังจะไม่ไม่พิจารณาใครคนตรง น, นี้เพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปได้ไม่ไกลนี่นะเพราะเดี๋ยวจะต้องรีบเร่งเร่งเหลือเวลาประมาณสักไม่กี่นาทีใช่ไหมเขาเลิกเท่าไหร่นะเนี่ยเหลืออีกประมาณสักสามสิบนาทีเนี่ยนี่กว่ากว่านิดหน่อยเนี่ย ถ้าหากพูดเพลินๆไปมาดูเวลาผิดกลายเป็นสองทุ่มขึ้นมายอมจะว่าไงส <c oughs> งสัยมีคนลกขึ้นมายกมือท่านเลยแล้วท่านเลยแล้วมาแก้งไม่เห็นก็บรรยายไปเรื่อยอย่างนี้ทำไงเอ๊ดยอมลองจัดกิจกรรมลองดูดูดองดูไหแบบว่าลองจัดกิจกรรมแบบว่าฟังทมแบบห้ามลกนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผู้เทศก็ห้ามลกผู้ฟังก็ห้ามลกเยอะดีไหมแต่ให้ตั้งด้กุศลจิตนี่ไม่ได้ตั้งด้วยโลภะโดยสามมุขานี่ให้ตั้งด้กุศลจิตนี่น่าทำเหมือนกันนสงสัยหลับตาเทศไปลืมมาค่อยๆหายไปหมดในการทีนี้ในพุทธจาลีดนะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบำเพ็ญบา ร, รมีทางที่ได้กล่าวแล้ว อย่าแปลกใจนะยอมอาจมาถอดเข้าถอดออกดูไม่ใช่ว่ามีเจตนาจะถอดเข้าถอดออกทีมันมองมองไปไม่ก็เห็นก็เลยเปลี่ยนก็คือสมเด็จพระพุทธทางคูนโธิสัตว์ได้ทรงสดับพุทธพยากรเป็นต้นเหล่านั้นแล้วก็สมนัตินะนะมีปีติคิดในใจว่าตนเองจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้ ดูดิความคิดเนี่ยความมั่นใจว่าเสมอเหมือนว่าได้แน่แน่ในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยทำไมต้องตั้งจิตอย่างนั้นเพื่อตั้งให้กระชับในสัมมาสัมปวิญาณให้ใกล้ชิดในสัมมาสัมปวิยานฝังสัมมาสัมพวิยานนปลูกสัมมาสัมพวิญาณไว้ในกระแสขันให้มั่นคงเพื่อจะได้ไม่หวั่นไหวในการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองจำเดิมแต่นั้นมาพราะองค์ก็เรียรายจักรพัท ลาตสมบัติทั้งแก้วเจ็ดประการลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ออกบรรญชาก็แปลว่าท่านสละเลยเอาลองคิดดูนยสละการคือแก้วเจ็ดประการเนี่ยเริ่มตั้งแต่นั่นแหละช้างแก้วม้าแก้วเห็นไหมนางแก้วเป็นต้นเหล่านี้จนถึงจักแก้วปารินายกแก้วเป็นต้นน่ะถวายเป็นพุทธบูชาออกบวชเลยอะ่ะ บำเพ็นเนคกรรมปรมีล่ะแล้วก็เจริญสมถะกรรมฐานรมฌานปิญญาไม่ให้เสื่อมสิ้นพระชนแล้วก็ขึ้นไปบังเกิดในรูปพระพหม <Okay. S 1> เห็นไหมเป็นพรหมเลยแปลว่าเข้าใจคำสอนอย่างดีแล้วแปลว่าไปพักอยุดบนพรหมมาโลกอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยนะแล้วต่อมาสมเด็จพระพูทธยากาก็ตรัสรู้นุตราสมาสมโพธิญาณแล้วก็โปรดประทานเทสนาเป็นพุทธจารยโ ด, ดยอุทานกถาบอกว่า สัพพัพัทอสังคขยาราชาอาสีมหภาโลนัครังทัญวตินามาสากโรนามาคติโยเป็นอาทินะความว่าในการเป็นพายสัพพะพัทธอสงไขยกับนั้นเราได้เป็นบรมจกักรพรดิราชทรงพระ น, นามว่าสาระบรมโพธิสัตว์ไดราชสมไดเสวยราชสมบัตินะ ในทัญยะวะในทัญยวดีนครขั้นเราได้สดับพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสักยะมุนีโคโดมได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วเราก็ได้สดับพระธรรมเทศนานะในสำนักของพระบรมศาสดานั้นได้มีภาษาทศสสะทาสร้างวิหารกุดีศาลาสิงละแสนละแสนและพระคันตกุดีร้วนแล้วด้วยแก่นจันได้ยังมหาทานให้เป็นไปในภัยหามมหากรรมแล้วเราก็ได้ วจีปณิธานปรารถนาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักของพระบรมศาสดานะว่าเราจะไ ด, ด, าจาด้เราจะเป็นเราจะตัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าจอมดีโลกนายกนายกของโลกโดยแท้ท่านตั้งจิตปรารถนาของท่านอย่างนั้นนะนะก็นับรวมได้ถึงเท่าไหร่ท่านได้เจิญผ่านพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่ สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันพระองค์นะตั้งแต่สัพพะพัทธอสงไขยกลับเป็นต้นเนยะเป็นไปตามลำดับเลยก็ไล่ไปตามลำดับนั่นนะอันนี้เ็าเรียกว่าพลานาในอุทานกถาครบที่สองแล้วอันนี้ว่าด้วยพุทธทางกูลโพธิสัตวนะ์นี่เ็าเรียกปรารถนาหรือการเปล่งวาจานี่จบแลวนะสรุปแล้วก็คือสิบหกอสงไขยอารมาทาหน้าที่จบแล้ว <c oughs> ใช่ไหม พุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีอันนี้ยอ่อพยายามจะยอ่ยอยอ่ยอย่อย่องมาเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งมีเวลาจะขยายอีกเพียงไม่กี่ครั้งนะึต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเดินเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยเป็นเรื่องการต้องเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่ตันหังกรเมทางกรตระนางก ร, งกรเป็นต่อเนี้ยนะ